พระเจ้าแสดงว่าอากรารบังคุณนี่หือหรือเมตุนธรรมนี่เป็นสิ่งต่ําชักนําคนให้ไปผูกติดกับอกอลากร่างเรือนใช่ไหมครับหมดโอกาสที่จะจะทำตนให้ให้ออกจากทุดได้โดยง่ายมีโทษเผ็ดร้อนมีมี ม, มีมีผลมีผลนั้นเผด ร, ร้อนครับแกไม่เป็นแสดงนี่ทำที่พระเจ้าแสดงเรารู้แล้วที่พระเจ้าบอกว่ากามังคนมีโทษมากเอมีคุณ น, น้อยไม่เป็นอย่างที่ ถ้าแสดงเรารู้แล้วที่พุทธเจ้าบอกว่ากรรมัางคนมีโทษมากะมีคุณน้อยไม่เป็นอย่างที่พระองค์บอกเราเรารู้แล้วรู้เนื้อแท้จริงๆแล้วมันมีคุณมากมีโทษน้อยอย่างที่ท่านเสพเคยเป็นฆรวาสเสพมาก่อนใช่ไหมมันมีคุณมันมีรสชาติอร่อยมันมีรสชาติน่าชอบใจแกก็ภาลนาของแกแกไปจนคน้าเชื่อครับเออย่างนี้ก็ทิฏฐิรามงครับนี่แกมีตัวอย่างเฉพาอะพุทธเจ้าห้ามันนี้ก็ไปคิดอ น, นุ์คิดนี้ คือเป็นวันมาคิดแต่เรื่องลามกครับเนีคิดแต่เรื่องรามกอย่างเดียวเลยแกเป็นพระเฉยๆอย่างพระเทศเนี่ยแกมีที่ทีรามกครับเพราะฉะนั้นถ้าผมว่าทำอย่งไม่มีแกตัวอย่างเราเราคิดอย่ากงมงันไม่รู้ว่าคิดแบบไหนลามกไอพวกที่มาทําเรื่องแบบนี้นี่ต้องตั้งความปรารถนาไว้ไม่ต่างเขามันสังสมมาเองเข อ, งอัตโนมัติพวกนี้มันอัตโนมตัติคือเก่งมาโดยอัตโนมัติเลยออแบบ เวลาผมเรียนหนังสืออาจารย์นันท์ท่านจะมองถ้าไม่มีพิกษุพวกนี้เราอย่าไปลังเกียจอย่าไปลังเกียตเทวทษษัศ์อย่าไปรังเกียจอุทาจีอย่าไปลังเกียจอุปนันท์อย่าไปรังเกียตอริธาพวกนี้ถ้าไม่มีพระพวกนี้เราคิดยากเลยพิกษุอ อ, อุคิดตะกาพิสุผู้ถูกยกวัดคือมีพวกไม่เห็นหน้าบาัตไม่ทํำคืนหน้าบาัตพวกมี ที่ฐิรามกเออทิฏฐิความเห็นความเห็นลามกมันเห็นแบบไหนวะถ้าไม่เกิดไม่มีตัวอย่างแล้พุทธเจ้าห้ามไหมโดดๆแค่นี้ไม่ไม่ยกนิทานไหมเราฟังนะเอไม่รู้ยังไงว่าที่ติลามกเราตีเอานี่อาอาท่านลองลองทำให้มีตัวอย่างลองท่านความเห็นลามกลามกไอ้อที่ภาษาไทยของเราเราคิดว่าเรื่องเกี่ยวกับกรรม<อ>กับกรรมอย่างเนี้ใช่ความใคร่กรรมแค่นั้นเองใช่ไหมครับเราก็ตีกันแคบๆแค่ตามความ ที่คนเขาเข้าใจกันปัจจุบันแต่ในดีนี้ธรรมะยอย่างอื่นส่วนอื่นๆบิดบิดบิดเบือนความจริงของธรรมะของพระเจ้าเป็นทิฏฐิรามกหมดเลยทําก็ดีวิัยก็ดีครับบิดเบือนหมดนะเปลี่ยนแปลงหมดเลยตรงกันข้ามบางทีบางอันก็ค่อยตามแล้วก็ไปเริ่มเริ่มต้นคอยตามครับแกทําคอยตามแต่ไปข้างหลังแกไปสรุปซาของแกเอาใหม่อย่างนี้ก็ทีฏฐิรา ม, มกครั บ, อ ย, รบรอยูแล้วทำมาอย่างดีเลยสรุปลงเป็นของพระเจ้าเลยอ่า อย่างนี้พวกนี้ที่ทีลามกครับนี่ที่ทีลามกผงสงหนึงส่วนประกาศซะนี้ยกเธอออกจากหมู่ซะแปลกเขาเราทําไมไม่ทํากันเนาะฮะวินัยบางส่วนเราไม่ได้ประพฤติเลยนะ่ะอ้าจริงๆอ้าสมมติว่าบางองค์เราก็รู้อยู่ท่านท่านเสดไม่ถึงประจําประจําไม่เรียกมาสอบสวนไม่ไม่ไปเตือนไม่อะไระแปลกมากเลยพวกเรามันทํามเป็นอย่างนี้กันมาฮะเออเอเอใช่ผมว่าตรงนี้ กลัเวเดือดร้อนกลัวตายกลัวอะไรอย่างนี้เนาะเราเลยเหมือนกับไม่ได้รับศาสนากันนะใช่ไหมครับแล้วก็เห็นใครทําไม่ถูกในพุทธศาสนาควรจะว่ากล่าวตักเตือนอะไรนี้เราไม่ได้ทําในส่วนนี้ไม่ได้ทำํำแล้วแล้วจริงๆแล้วอย่างอย่างผ้าต้องอาบัตรใช่ไหมครับเราเห็นอยู่เรารู้อยู่รู้ว่าท่านทําอย่างนี้ผิดทําเป็นอาญินเลยผิดรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้แล้วไม่เข้าไปขอโอกาสตักเตือนว่ากล่าวอย่างนี้ เราต้องอาบัดทุกอดครับเราต้องอาบาตทุกอดเงรู้เห็นอยู่แต่แต่ไม่ทําหน้าที่ของตัวเองไม่ไม่ไปช่วยไม่ไปป้องกันศาสนาไม่ไปช่วยองค์นั้นด้วยคือปฏิตรีเราเนี่ยเอ๊ะตรงนี้ตอนทุกอดมังถ้าปฏิตรีเราเอาข้อไหนเข้าไปตรงนั้นอะไรไหนลองจดให้เต็มข้อนะ ที่ว่าอนาธริย์ยปาจิตยังเนี่ยเต็มแล้วไม่เอื้อเพื่อเราต้องมาพืชเองไม่ใช่หรอตรงนั้นในข้อนั้นในข้อนี้คนอื่นมาพืช อ, อยู่แต่เราไม่บอกไม่ใช่ว่าเราไม่เอื้อเพื่อไว้ไหนเราไม่ไม่ไม่ช่วยตร ง, งนูน้นอย่างนี้ไม่ใช่หรือของเราเราประพฤติอของเราอยู่แต่เราไม่ไม่ช่วยเขาตรงนูน้นตัางหากครับไอตรงนี้ต้องไปดูใหม่ทุกกฎรหรือปาจิตจเพราะว่าปาจิตตีตรงนั้นคือเราไม่เอื้อเพื่อว่า ลองลองลองลองลองไปดูอีกทีนะครับลองไปดูอีกทีอ่าถึงอะไรล่ะไม่เป็นครับเราไม่ได้สวดยกวัดเลยถ้าถ้าไนั้นต้องต้องต้องสวดยกวัดออกมาครับต้องสวดประกาศออกไปเลยพวกนี้ต้องบอกเหตุเลยบอกโทษบอกโทษ บอกโทษเราก็แยกตัวมาไม่ต้องไปสั่งสอนไม่ต้องไปว่ากล่าวตักเตือนพิชูพวกหัวดื้อพวกนี้นะอย่างนี้พวกนั้นก็เป็นนานาสังวาสของเราถ้าเขาสวดของเราเราก็เป็นนานา ส, าสังวาสเต่างคนต่างเป็นกันใครสวดก่อนก็ได้โอกาสเพราะนั้นเราเอาไปยังไงแต่ทำไมเขาอบรมกันมายังไงไม่ทราบนะครับครับบางทีพระมหาเนกายนี่ขึ้นไปนะจะไปร่วมสังฆกรรมบูชสังฆกรรมเลยก็ไม่ได้ครับไม่ได้ ไ, ได้เหมือนเราเป็นตัวประหลาดเองครับเขาเพราะเขาเข า, เขาเรียกเราว่านรนครับ เขาเรียกเราว่าเนนทั้งหมดนะเนนทั้งหมดเลยครับเขามองเราว่าเป็นนานาสังวาสของเขาครับฝันจริงเขาสอนกันอย่างนั้นจริงๆครับสอนอย่างนั้นจริงๆเลยแล้วอย่างนี้ใครเป็นนานาสังวาสใจมันยังไม่เป็นครับเป็นมน้องสวดประกาศสวดกรรมวาจาครับที่ทีท่าตามวิเนยนะครับแต่ถ้ความประพฤตินี่เวลานี้เราพฤตประพฤติกันเป็นนานาสังวาสกันโดยความประพฤติเลยแต่โดยวิเนยแล้วมันยังเป็นไม่ได้เพราะเราไม่ได้สวดไม่มีสงสวดเลยไม่ได้มีองค์ไหนสวดมาก่อนเลย เวลาท่านแยกตัวไปก็ไม่มีใครสวดไม่มีใครกล้าเลยเพราะมันเกี่ยวกับการเมืองด้วยสมัยนั้นใช่ไหมครับถ้าในกรณีที่พาที่แยกไปตั้งนิกายแบบนี้ชื่อว่าทำทางอเพศไหมไม่ใช่ครับไม่ได้ยุยงให้แตกกันนี่ใช่ไหมครับเขาเคยมายุเราเปล่าอ่ะเคยมีโยมคนหนึ่งไปบรรยายที่จิตตภาวันพูดถึงกรณีเนี้ยอือว่าเป็นว่าเป็นอโอ้ยว่า ร, ร, รุนแรงมาก ความจริงสังฆเภศนี้ต้องต้องพยายามใช่ไหมครับความยิงสังฆเภศก็คือการสอร่อเสียดใช่ไหมครับพูดอย่างนี้พูดทางนาน้นพูดทางโน้นพูดอย่าง น, า น, างนี้จนเขาแตกกันใช่ไหมครับจนเขาแตกกันจนสงสงแตกกันอย่างนี้จึงจึงเป็นสังฆเภศนี่เขาก็อยากตัวเข้าไปเขาเขาก็สอนเฉพาะพวกเขาไปว่าเราไม่ดีไม่ดีแต่เขาไม่เคยมายุโยงให้เราไปทะเลาะกับเขาเลยลครับต้องเ ป, งเป็นพระเป็นอื่นไม่ได้เป็นฆราวาสก็ได้แต่ไม่เป็นสังฆเภศแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีกำหนัก กำนังเหมือนๆกันแต่ไม่ชื่อว่าสังกเพศครับไม่เป็นขลุกรรมไม่ชื่อว่าเป็นสังกเพศทุกวันนี้โยมยูไพ่แตกกันเยอะครับเฮ้ยว่าไปเรื่อยที่ไหนอะบ้านทันวิสิติอง <ไป S 2> <ๆ S 1> เราเราเราไม่ได้เอาหลักเดิมๆไว้ไวเป็นพื้นฐานนะครับในการตัดสิน ในความประพฤติทั่วไปก็ดีการวินัยก็ดีมันก็เลยต้องเอาความเห็นของปัจจุบันที่เรามีความเห็นกันธรรมดาอย่างนี้ยังไงก็ตัดสินกันด้วยความเห็นของตัวเองกันไปก็เลยแตกต่างกันออกไปเสียไปครับักียไม่ไม่ใช่คล้ายๆครับคือลังเกียจจริงๆครับ <c ười> ไม่ไม่คล้ายคืออย่างนี้เวลาเวลาท่าน ในสมัยนั้นสมมติว่ามันก็เหมือนๆกันอย่างนี้ครับมีพระประพฤติเสียมีภาพ อ, อะไรๆเยอะแยะช่ไครับหมอดรหมอดูอะไรตโนเขาตอศรัทธาทาง่งน่ะไปเรียนเจอไอ้ที่จริงๆก็เกิดศรัทธาโอ้โหนายวินัยว่าว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอ้โอย่างนี้ผิดนียนะอย่างนี้ผิดอย่างนี้ผิดก็เกิดศรัทธาใช่ไหมครับเกิดศรัทธาขึ้นมาจริงๆเลยี่อยากจะทําให้มันถูกจะไปแก้ก็ไม่ไหวยังแก้ไม่ไหวกําลังยังไม่พอตั้งขึ้นมาซะเองเลยลองเอาขึ้นมากลุ่มหนึ่งเรามาประพฤติกันอย่างนี้ พอดีมันมีเหตุการณ์เมืองเข้ามาสนับสนุนด้วยเลยต้องหาสมัครพระพวกเพิ่มขึ้นครับแล้วก็ประกาศตนคือเหมือนกับจะทําเหมือนกับจะทําให้เป็นตัวอย่างว่าที่ถูกแล้วอพระในทางาศาสนาแล้วที่ถูกควรเป็นอย่างนี้นะครั้งแรกเจตนาเป็นอย่างนี้ครับแต่ต่อๆมามัน เ, เจตนาของรุ่นต่อมามันไม่ใช่อย่างนั้นมันเจตนาต่อไปว่าไอ้พวกนู้นไม่บริสุทธิ์หรอกถ้าบริสุทธิ์ท่านไม่แยกออกมาอย่างนี้ พะการแยกออกมาอย่างนี้เราบวชที่กัญญาณิสีมาปู่ยาตายายอของพระเราเอคือคื อ, คอพระอุปชายนะครับพากันไปบวชที่นู่นมาเนี่ยสีมาบริสุทธิ์ล่ะท้องแม่บริสุทธิ์เกิดมาก็ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพวกนู้นไม่รู้สีมาวิบงวิบัติอะไรวหมายวิวาอะไรหมดไม่เป็นพระแล้วมีความคิดตรงนี้ครับจึงแตกแยกแต่ท่านไม่ได้แสดงออกมาแบบนี้ก็เลยเอาเฉพาะแยกตัวเฉพาะพวกของเราออกไปนะใครใครต้องการบริสุทธิ์ใครต้องการอ่า ทำตนให้เป็นแบบอย่างก็ออกมาอยู่ก็เรามันก็เลยค่อยๆมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นแล้วในพวกเขาเขาก็หมดกันอย่างนี้ครัมันก็เลยเสียไปอย่างนี้เอไม่ไม่ได้ชําระทั้งหมดมันชําระบางส่วนมันก็เลยต้องต้องแยกออกไปมันก็เลยต้องมีมีมากขึ้นมีนิยายแยกออกไปแยกออกไปไม่ใช่สังฆเพศต้องต้องยุโยงด้วยครับสังฆเพศต้องไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยด้วยนะที่สั่งสอนกันครับ แต่เราต้องอยุโยงด้วยต้องมีการเหมือนกับเชิชวนแบบเทวทัตครับประกาศเลยเ อ, อนเนี่ยเธอดูเวผู้เจ้าพูดอย่างนี้เราพูดอย่างนี้ใครมีความมักน้อยกว่ากันมติของใครดีกว่านี่ของสมณะโคดุมหรือของเราโอ้ของเทวทัศน์ดีครับอ้างั้นมาอยู่กับเราเชิญชวนไปเลยอย่างนี้คือยุโยงในที่นั้นมหมายถึงว่ายุโยงในที่ที่จะลงร่วมสังฆกรรมเดียวกันใช่ไหมครับครับ ไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องในที่นอกเวลาก็ได้แต่เวลาอายุยงเสร็จแล้วไม่ร่วมสังฆกรรมไม่ร่วมสังฆกรรมครับครับก็สมมุติว่าวัดเราลงลงสังฆกรรมที่นี่ใช่ไหมครับครับทีนี้กลับอีกที่หนึง่งนะครับถ้าอยุยงอย่างนั้นคือที่ของเรานี่ไม่ร่วมสังฆกรรมที่นี่อย่างนี้จึงจะชื่อว่าเป็นสังฆกรรมใช่ไหมครับเดี๋ยวใหม่ไม่ชัดชัางงงคือถ้าถ้าคนละวัดกันนะครับครับคนละวัดกันไม่ไม่ชื่อว่าเป็นสังฆกรรมเป็นเป็นสังฆเภท ครับในอุโบสถเดียวกันไหมอุโบสถเดียวกันครับอุโบสถเดียวกันแยกวางไงวางไงก็นั่นไงไม่ใช่ทําให้เขาเกิดทะเลาะกันแล้วไม่พอใจคําสอนของพระพุทธเจ้าจะมีนับถือไม่น้ำถือไม่รู้ แยกตัวออกไปเป็นสังเพศก่อนแล้วแต่ น, นั้นไปแล้วอย่างเทวทัตใช่ไหมยังไม่ได้บอกเลยว่าตัวเองจะเป็นหัวหน้าเพียงแต่บอกว่ามัตติของเรากับของพระเจ้าใครดีกว่าเห็นไหมครับแล้วพวกนั้นก็ชอบใจชอบใจแล้วก็พากันไปแล้วก็บอกเลยว่าเราจะไม่ทําอุโบสถร่วมกับพวกท่านแล้วบอกกับมโนนนเลยเห็นไหมครับเว้นจากพระเจ้าเ ว, ว้นจากพระสงฆ์ทั้งหมดเลยประกาศเลยตอนนั้นเป็นสังเผตแล้วเพราะฉะนั้นเทวทัตเป็นผู้นับถือใครอะ แล้วน้ำถือไทยที่ว่าน้ำถือต่างกั น, น, น, ไ, นไม่ใช่พวกนั้นไม่ได้ทําสังฆเพศนี่อาเทวทัศนเป็นผู้ทําสังฆเพศไม่ใช่เลยไหนไม่ได้ต้องสังฆเพศไม่ได้ทําสังฆเพศพวกพวกผูก้ตามนี่ไม่ได้เป็นสังฆเพศก็ถ้าเป็นแล้ ว, แ ล, วแล้วพระพุทธเจ้าจะให้พระโมคคลาสารีบุตรไปพากลับมาทำไมดังหาหกร้อ เออแต่และเพียงแต่เธอมีความรู้น้อยถูกเขาชักชวนเลยไม่มีวิธีไม่มีบรรยายี่จะคิดถึงเหตุถึงผลที่แท้จริงยังคิดไม่ได้บทมาน้อยหรือเรียนมาน้อยอา้อาวสาริบุตรโมคลาเธอจะไปให้สติพวกนั้นนะให้มีความเห็นถูกแล้วกลับมาก็กลับมา ก, ก็เกิดเ ท, ว ท, เทวทัศน์อ่ะเทวทัศน์นําถือใครเออตรงนี้ต้องคิดหน่อยเอมามังใช่แน่นอนเพราะสังขเภศแปลว่าแตกแยนนปปแ ก, แกใช่ไหมเออให้ไม่ต้องนะ <c oughs> ถือเ <c oughs> พียงแต่แยกแยกออกไปก็ก็สังขเพศแล้วประกาศแยกเลย เ อ, า, อาทันท่นท่นท่นคิดทีท่ทท อ, อ, อ่านอ่านมาอย่างนั้นแล้วลองลอ ง, ลองวินิจฉัยตรงเทวทัศใช่เป่าเทวทัศไม่ใช่ว่าไม่น้ำถือพระเจ้ามาก่อนนําถือมาด้วยแต่ตอนนั้นถามว่ามติของใครดีกว่าขัดเกลาวกว่าดีกว่ากันนะครับไปชักชวนพระไปชักชวนไ อ, อชักชวนแล้วจะเชื่อเลยทีเดียวคงคงไม่ใช่ต้องมีการชรักต้องมีการในที่ประชุมใช่ไหมครับ ก็เป็นธรรมดานุ้งก็ซักองนี้ก็ซั ก, อ ก, ซกเออแล้วคอยตามไปเลยเทวดาก็พูดจริงค่อยตามไปเลยอย่างนี้ภิกษุเหล่านั้นไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อว่าผู้ทําสังฆเภศแต่เป็นผู้ถูกชักชวนให้แตกแยกใช่ไหมครับเป็นองค์ประกอบของสังฆเภทใช่ปะ่ะออแล้วไม่ใช่ว่าภิกษุพวกนั้นพอทําสังฆเพศไปแล้วไอ้พอแตกแยกออกไปเป็นสังฆเภศแล้วเลยเลยเล ย, เลยมาเข้าเป็นสมานาสังวานไม่ได้ไม่ใช่ ต่ริบุญโมลาไปเอามาเฉยเลยเว้นโกกาลิกะนั่นทีเขาอกยอดอกพระเทวทัตนั่นอกมาา่าเพรวนั้นเป็นสเวด้วยก็ไม่สามารถที่จะรู้ควาได้ครับไม่ได้ไม่ได้หมายความอย่างนั้น ไ, ไ, ไม่ได้ครับอย่างโกกาลิกะนี่ครับไม่ได้นีทำตามเลยโอ้โหเป็นกำลังใหญ่ของของเทวทัตเลยเป็นกาลังใหญ่เลยครับสนับสนุนแนะนำวิธีคือเป็นคุณซือเลย เป็นเป็นแบกเป็นแบกโอ้ยต้องพูดอย่างนี้ต้องอย่างนั้นวางแผนกันวางแผนกันอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้องคเอโกการิกะก็ไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะฉะนั้นโกการิกะก็จะมาถูกอัดเข่าพระเทวทัตแล้วเป็นอะไรวะเ อ, เ อ, เอโกการิกะไม่ได้เข้าถึงเออแล้วแล้วก็ตกนรกมาเนานะอ๋อตายไปตกนรกเออใช่เนี นะผู้กายกับเราเกี่ยวกับการทำสังฆเพศนี้ถ้าหากว่าบุคคลผู้แยกตัวออกไปนั้นไม่สามารถที่จะร่วมไม่ไม่สามารถที่จะทำกรรมหรือว่าลงอโมโสดอีกได้ยังไม่ชื่อว่าเป็นสังฆเพศใช่ไหมครับคือแยกเป็นสองกลุ่มใช่ไหมกลุ่มหนึ่งพอที่จะทําอ่ำลงลงอโมโสดสังฆกรรมได้แต่อีกกลุ่มหนึ่งแยกไปสองลูปสามลูปไม่ไม่ไม่สังฆเพศอย่างนี้ไม่ใช่สงแตกอย่างนี้บุคคลแตกบุคคลแตกครับไม่ไม่ใช่สงแตก ต้องพอคบองสงครับคือชักชวนจนได้สีองค์ขึ้นไปะครับจริงจรงแตกครับครับต้องส่งขึ้นไปทั้งสองฝ่ายครับถ้าสงฝ่ายหนึ่งอีกอีกว่ายหนึ่งบุคคลไม่ได้ครับไม่ไม่แตกแต่ไม่ใช่กรรมไม่หนังนะครับกรรมหนังอยู่แต่มันยังไม่ชื่อว่าสังฆเพศเท่านั้นเองครับหมดแล้วนะครับเกี่ยวกับตรงนี้ครับอุ้ทีกรรมพิกสุนานาสังวาสนะครับนานาสังวาสผ่านไปนะครับ อ่านไปแล้วเอาอะไรกันเอาเกี่ยวกับพวกนอนนอนใช่ไหมฮะ น, นอ น, นอนนี่ต่อไปมันจะเป็นเกี่ยวกับนอ น, นอนแล้วไอ้กั้นใอาวาสไแล้วนี่มันหที่เจ็ดที่แปดไม่ใช่เหรอนะ น, นอ น, น, นในอาณาธรร ม, มไม่จัดเป็นหมวดละไม่จัเป็นหมวดไอ้ตรงง่ายๆไม่มีมาอาธิบายแล้วไม่มีไม่ทองดําเราแต่เพราะไอ้อภิคุโกโ อ, อาวาสอวาโสมาอธิบายคําว่า อาวาตอนอาวาตแค่นี้หมดเลยข้อต่อจากนั้นไม่มีลนะแล้วแล้วข้อที่ผมเรียนทางอาจารย์เมื่อคือนนครับอะไรครับที่อาจารย์บอกว่าต้องมีประดัพิสูนําำหน้าหรือว่ า, าต้องมีประดัพิสูจไปด้วยแล้วก็เว้นแต่มีอันตรายเนี่ยครับต ร, ต, รตรงนั้นนี่ไอหมดที่หกหมายถึงว่าคือว่าเาบอกว่าเว้นไว้ทีเาไม่เนมาที่เนนะครับอาไมทำไมาคือเมื่อคืนนีใช่ไหมครับ เมื่อคืนนี้ผมบอกว่าหมวดที่สี่ที่ห้าที่หกที่อยู่ในในวัดตะบิดกิี่วพัตตะไทยเนี่ยืมบอกว่าหมวดที่สี่นั้นนะครับก็มีข้อช้อยลงมาแล้วข้อสุดท้ายที่บอกว่าเว้นแต่ไปกับปราชญ์พิสูจน์แล้วก็เว้นแต่มี็นอันตรายเนี่ยแ้หมวดที่ห้าก็ว่าอย่างนี้เหมือนกันครับแต่ว่าอันนึงไปในอาวาสหรือไม่ใช่อาวาสที่อไม่มีพิสูจมีพิสูุอีกอันนึ่งมีพิสูจอีกอันหนึ่งมีพิสุจน์แต่เป็นนานาสังว่าเพราะอย่างนี้ต้องเหมือนกันใช่ไหมครับ อแล้วก็แล้วทีนี้ไอ้หมวดที่หกไอ้สุดท้ายนะครับไม่มีคําว่าต้องไปกับปาร์กตาพิสูหรือว่าเว้นแต่มีอันตรายนี่ไม่มีครับเพราะว่าในในหมวดที่หกนั้นเขาบอก ว, ว่าต้องไปให้ถึงในวันนั้นอะไรเนี่ยถามว่ า, า, วาในในสามหมวดนี้มั น, มนคล้ายๆกับว่าไอ้ที่สี่ที่ห้าเนี่ย น, นะครับคือท่านอนุ ญ, ญาตให้ไปได้ถ้ามีาถ้าไปปาร์กตาพิสูกับอันออถ้ามีอันตราย ไม่มีเลยใช่ไหมครับ <S <S ไ, มไม่มีประกาศตาพิสูไปเพราะที่นู่นมีปามมามมระกาศตะอยู่ครับเพราะที่นั่นเป็นสมานะสังวาิแล้วมีพิกษุอยู่ครับเพราะฉะนั้นเราไปประพฤติที่นู่นได้แต่ต้องไปในวันนั้นครับต้งองถึงในวันนั้นครับแล้้วทีีนก็ไอ้คําว่าถึงในวันนั้นเดี๋ยวดูก่อนนะในระหว่างระหว่างเดินทางครับนี่นะครับในระหว่างถึงในวันนั้นคือเกาะลาตีเกาะลาตีครับวันนั้นในที่นี้หมายถึงวันนั้นอาแล้วถามว่า เดิ น, ดนทางไปเดีียวน้นนต้องอย่างนั้นชื่อว่าอยู่ฝ่าสมยไม่อยู่ฝ่ายครับเดี๋ยวเดี๋ยวในนี้จะมีนิดหน่อยใครจะยกมานี้เดี๋ยวผมอ่านแล้วผมเจออยู่ตรงไหนคล้ายๆกับบางทีแม่ไปเยี่ยมบุพชาร์หรืออะไรนี่ในขณะที่เดินไปนะครับไม่ไม่ไม่เป็นนะครับไม่เป็นอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูไอ้ตรงนู้นมาประกอบในที่ตรงบังคูณนี้่ผมพูด ไม่ไม่เป็นนะครับไม่เป็นมาอย่างนี้มันมันจะมีข้อสรุปอย่างนี้ไปถึงในวันนั้นที่มีสมานสังวาสเอ ท, ทีที่เป็นสมานะสังวาสมีประกาศตาภิกษุอยู่นะครับมีประกาศตาด้วยนะครับต้องมีเน่ยนะครับถึงที่นั้นเป็นสมานสังวาสแต่ไม่มีก็ไม่ได้นะครับมีประกาศตาอย e ู่แล้วเราไปพฤติในนั้นก่อนอรุณครับก่อนอรุณคือไปทันไปทันในวันนั้นแล้วกันอ้าวไปทันในวันนั้นไม่ในร่วงร่วงราตีไปไม่ในล่วงไป อย่างนี้ไม่ชื่อว่าอยู่ปราดไม่ชื่อว่าอยู่ปราดนะครับลาตีนับได้นะครับลาตีนับได้แต่ถ้าไปใ น, นที่นั้นทนะี่นั้นอะมันเป็นสมานัเคยเป็นสมานั้นสมานแต่ไม่มีประกาศัอยู่แล้วไปนะครับลาตีนับไม่ได้นะครับเสียลาตีไปเสียไปไปอยู่แล้วมันไม่มีพระเสียลาตีไปแล้วครับเสียไปแล้วครับแล้วเหตุที่ก่อนที่เราจะไปจากว่านี้สู่อวันนู้นนะครับมีเหตุหรือเปล่านี่ไงครับอันตรายสิบ ต้องมีอันตรายครับนี่นี่อะไรกีนี่อะไรถ้าไม่มีอันตรายเพร <ไป S 1> ที่นี่<ป>เราแต่นแรกประพฤติอยู่แต่พระไปเลยหมดพระหมดประกาตะตาใช่ไหมครับต้องไปนี่เหตุหนึ่งใช่ไหมครับสองอันตรายสิบอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ไปในกรณีที่ยังมีพระอยู่แล้วเราก็ไปครับเพื่อจะไปประพฤติวัดนู้นมีบานเออเดี๋ยวเดีวตรงนี้ตรงนี้ข้อไหนข้อไหนเดี๋ยวมันมันจะเปลี่ยนข้ออันนั้นนี่นีอยู่ข้อไหน เิสูจนเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวต้องดูบาลีนี่นึงพิสูจผู้อยู่บริวารไม่พึงออกจากบรวารที่มีพิกษุไปสู่อาวาสที่มีพิสูจแต่เป็นนานาสังวาไม่ใช่ใช่ไหมครับวันที่หกดูก่อนพิสูุทั้งหลายอันพิสูจน์ผู้อยู่บริวารพึงออกจากอาวาสที่มีพิกษุไปสู่อาวาสที่ไม่มีพิสูจนเป็นสมานสังวาพึงออกห้พวกนี้ต้องเติมวันที่หกครับต้องเติม เติมว่าสามารถไปในที่นั้นนะครับไอหมดที่หงเนี่ครับทุกทุกข้อนะครับมันจะมีเพียงข้อเดียวพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่ถิ่นที่มีช่ยอาวาสที่มีภิกษุเป็นสมานสังวาสคือไปได้ในวันนั้นพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสหรือถิ่นที่มีช่อาวาสที่มีภิกษุเป็นสมานสังวาสไปในในวันนั้นทั้งหมดต้องไปในวันนั้นไปได้ครับอันนี้สรุปแล้วนะครับที่ ที่เป็นสมานน้ำสังวาสนี่มีภิกษุด้วยนะครับเป็นสมานน้ำสังวาส ม, ามีภิกษุอยู่ด้วยเราไปในวันนั้นนี่ไปได้เลยไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเหตุครับ เ, เหตุสิบข้อต้องหมดหมวดโน้ น, นหมวดหมวดที่ห้ากับหมวดที่สี่ครับหมวดที่ห้าที่สี่แล้วนักเกณับไปที่ตรงนั้นมีอภิกษุประดิษฐที่เป็นสมานน้ำสังวาสใช่ไหมครับครับถึงแม้ว่าที่ไปนั้น ไม่ใช่อาว่านก็ตามครับไม่ใช่อาว่านี่ลงเจดี i, เลือนโพเลือนอะไรอะไรใดทั้งหมดที่เขาอยู่กันครับแต่รู้ว่ามีมีมภิกษุอยู่ครับจะอยู่ที่กณีที่ว่าถึงไม่มีเหตุก็ไปได้ครับเอเ อ, เอหมดนี้ไปได้ซึง่งมีพระอยู่อาวา่านเก่าก็ไปได้ไปได้ไไอันนี้มีอยู่นี่ออกจากอาว่านที่มีภิกษุอยู่ไปสู่อาว่านก็ดีไม่ใช่อาว่านก็ดีที่มีสมณสงวาสภิกษุอยู่แต่ต้องไปให้ในข้อ น, นี้กําหนดว่าต้องถึงในวันนั้น ต้องไปให้ได้ในวันนั้นใ น, ในกรณีนี้ไปเดินพินธบาตรไม่เปไน็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรวันก่อนที่ ท, ที่วันวันต่อมาผมบอกก็าแลนั้นนี่เราบอกไม่เป็นไร <c oughs> ไปไปไม่ครบไปรูปเดียวก็ได้ครับไม่เป็นไรเพราะว่าท่านต้องกลับมาประพฤตครับแล้วในขณะที่ท่านไปวัดท่านก็ไม่เสียไม่เสียครับเพราะไปแล้วกลับมาในวันนั้นครับไม่ใช่ว่าอยู่ป่านไม่ใช่ว่าอยู่ป่านครับ แต่ที่นี้มันอยู่แต่ที่นี้เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวต้องนึกถึงคำว่าอยู่ในที่นี้ก่อนเมื่อครู่นี้บอกว่าอยู่ร่วมอยู่ร่วมคืออาการนอนอยู่ป่านคือคืออะไรแต่คำว่าอยู่เอาคำว่าอยู่ก่อนอืมป่านอยู่ในอาวาสนั้นไม่เอาเอาคำว่าอยู่หมายความแค่ไหนอ่ามีพระสงฆ์ให้เราสมาทานได้หมายความอย่างนั้นครับถ้ามานัดถ้าปริวัตกับองค์เดียวมีพระมีภิกษุให้เราสมาทานได้อันนี้อยู่ในที่นี้ ในในม่ใช่สิกาบทในข้อนี้ครับเขามาอยู่คือมีพระให้เราสมาธิสังวาสให้เราสมาทานวัดประพฤติแล้วก็กลับมาอย่างนี้มันเราต้องไปเกี่ยวกับราตีก็ใช่ <c oughs> ทุกอย่างแล้ว <c oughs> เกี่ยวกับคําว่าลาตีทุกอย่างหมายเอาเวลาจริงๆก่อนอารุณ์ขึ้นใกล้ๆอารมณ์ขึ้นต้องมีประกตารตตะอยู่ในในรัศมีต้องประพฤติอยู่ในนั้นครับในในในใน ในระยะของของประกาต่านนี่นี่นี่อยู่ครับอยู่สมสมุติวัดเราเงี้ยมาพืชวัดอยู่หน้ามะขามป้อมก็ไปก็เน้นเน้นไปเก็บมะขามป้อมไปช่วยถือมาอ่าก็ห่างไว้สองเลนตุบัดจะอย่างนี้ไปก็ไม่เป็นไรไปเวลาไหนครับไปเวลาใกล้อรุณไปไปอ๋อไม่เป็นไรไม่อนเป็นหยังไปไปแล้วก็กลับมาก็นอนแล้วคืนอยู่ในไม่ไม่ไมไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่มีผาน ไม่ต้องครับไม่ต้องครับกลับมาได้ในวันนั้นแล้วกันในกรณีที่ว่าไปต้องไปกับพระประกาศในกรณีไหนนี่ไงครับมงคืนี้ไงหมดที่สี่ที่ห้าไปอย่างนี้อย่างนี้สรุปอย่างนี้ไปแต่ไม่มีภิกษุที่นึงข้างหน้าไม่มีภิกษุอยู่หรือมีภิกษุแต่เป็นนานาสังวาสต้องไปกับประกาศตะแล้วทีนี้เพื่อไปประพฤติไงครับไม่งั้นไปแล้วมันไม่ได้ไม่ได้ประพฤติอย่างนี้ เห็นผลอย่างนี้ครับอืมว่าคราประพฤติวัดอยู่ต้องไปเพราะว่าต้องไปอยู่ในความดูแลของพระปกติปกติเตะเดี๋ยวจะไปประพฤติเที่ยวหายก็ที่นู่นเกิดม<ต>ีปกติเต๋าเวลาเดินทางไปทุลันนู่นทุลันนี้โอ๋ อ, โอแสดงว่าเราเป็นผู้รับใช้ของปริวาสิการพิสุไม่รู้เออเอ้าวประหลาดจริงเพราะที่เคยบรรยายฟังบรรยายมเนะว่าต้องไปเพราะว่าอยู่ห่างอย่างท่านไม่ได้อ่าเพราะว่า ต้องให้ท่านต้องดูแลความประพฤติของเราอคออคุมความประพฤติเราพระประกะตศตาเลยเป็นผู้รับใช้ปริวาริกะที่คอยให้ตามไม่ใช่ถ้าที่นู่นมีประกะตาตะอยู่เราก็ปล่อยไปเลยเอ้ปร ะ, ประกะตาตะทางนี้ก็หมดภาระไปทันไปแล้วท่านจะไปประพฤติที่นู่นใช่ไหมครับท่านไปเลยแต่ต้องไปให้ทันในในในวันนี้ต้องไปให้ทันในวันนี้นะครับระยะทางนั้นต้องไปให้ได้ให้ทันในวันนี้ ที่ท่านกำคืเน้นตรงนี้นะครับต้องไปให้ทันในวันนี้แสดงว่าเพราะเพราะอะไรคล้ายๆกับเพราะถ้าไม่ทันแล้ววัดนับดาบีไม่ได้ใช่ครับเพราะไม่ทันแล้วมันเสียไปก็คล้ายๆกับว่าเออท่านเนี่ยจะพูดยังไงดีครับคล้ายๆกับว่าท่านไม่ไม่ได้เก็บวัดเลยไม่ได้เก็บครับในที่นี้ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงเก็บวัดเก็บวัดแล้วไม่ต้องทำอย่างนี้ไม่ต้องทำไม่ยังไม่พูดถึงเก็บวัดเลยแล้วที่นี่จะ อย่างกรณีที่ว่าอย่างนั้นที่ยังว่าไปหาวัดนะครับไปหาวัดที่มีหรือว่าอาวัตที่มีพระอยู่ประจอยู่นะครับ <h ane> แต่กรณีที่ว่าท่านไปรูปเดียวนี่ครอย่างไปไล่ไปนาไปสวนอะไรแต่ตรงนั้นไม่ใช่แบบมีพระเป็นวัดอะไรเลยครับแต่ไปเสร็จแล้วออกไปเที่ยวเล่นตามป่าตามเขาเสร็จแล้วก็กลับมาอย่างนี้วัดท่านจะเสีย <Stream> ไม่เสียครับไม่เสียก็มาในลาตีนี่ครับมาก่อนลาตีมาก่อนอรลุนนี่ครับถึงแม้ว่าไปรูปเดียวไม่มีพระเไม่เสียครับ พรออยู่เขามาอยู่อยู่ในในพิสูุน์ใช่ไหมประพฤติวัดในสองกด็ดีในในในพิสูุก็ดีใช่ไหมครับส่วนแล้วขอละสมาทานอะไรแล้วใช่ไหมครับอ่ามีประกาศมีลืมลืมบอกลืมสมาทานเอะลืมบอกในในในสีมาอย่างตามบอกองค์เดียวก็ยังได้อยู่ใช่ไหมครับแล้วมีโอกาสแล้วจึงบอกกับอตามไปบอกกับพิกูุที่ออกไปทีหลังใช่ไหมครับันไม่ได้เสียอะไรเพราะนั้นประพฤติคือมีผู้ให้เราบอกบอกวัดของเราแล้วกัน ถ้าเป็นมานั้นก็คือมีสงให้เราบอกวัดแล้วกั น, น, นใช่ไหมครับทีนี้ไอท้ที่ว่าห่างสองเลเตุบาทนะครับครับถ้าฟังดูลรามัน อ, อ้าวถ้าอย่งงางนั้นก็อยู่กันทั้งวันนี่สิใช่ไหมครับแล้วแล้วไอ้ที่บอกว่า ก, ก่อนลาตรีเธออย่าอยู่นอกสองเลเุบาทตรงนั้นก็ไม่มีความหมายสิแน่แน่ครักบก่อนอรุณน่ะใช่ป่าตรงนั้นจะพูดทำไมกันมันไม่ใชกัว่าเอ้ยตรงนั้นมันห่างสองเลเตุบาทไม่ได้ไม่ใช่ห่างในที่นี้คือ วันทั้งวันมาเธอจะหาไม่เป็นไรแต่ถ้ถาถ้าก่อนอรุณนี่เธอยังป่านอยู่อีกเธอยังหางเอาไว้คืออยู่ป่านแล้วตอนนั้นนะครับตอนนั้นเธออยู่ป่านให้โอกาสสุดท้ายเลยก็ได้หมายความอย่างงั้นเธอไปเธอจะผูกพัน์มาติดต่อย้อยตามพระป ก, กติตะไปเช่าของส่วปอะไรอย่างนี้ก็ได้ทั้งวันก็ได้ไหมว่าแต่ถ้าไม่ได้ทําอย่างนี้มาโอกาสสุดท้ายเธอต้องทําเพียงแต่เธอทําทในโอกาสสุดท้ายทั้งวันมาเธอไม่ได้ทําเลยไม่ได้อยู่อยู่ใกล้เลย แต่นั้นในโอกาสสุดท้ายเธอเธออยู่ใกล้วัดไม่ได้เสียไม่ได้เสียอภิกษุฉันวินอบาตภิกษุมีศีลแต่ฉันวินอบาตไม่ได้พิจารณาตลอดวันเลยไม่ได้พิจารณาใกล้ใกอรุณขึ้นตื่นมาทําบาเมีอนุ้งใจวันนี้เมื่อเมื่อเมื่อตอนเช้าของวันนี้เราฉันไม่ได้พิจารณาแล้วตอนนั้นนึกพิจารณาก็ไม่ไม่ไม่ไม่เป็นกรรมแล้วใช่ไหมครับไม่ไม่เสียแล้วตรงนั้นไม่ชื่อว่าฉันโดยเป็นนี่ไม่ไม่เป็น เออบริโภคนี่ไม่บริโภคอะไรแล้วตอนนั้นนู่นไปเอาตอนใกล้จบแล้วครับใกล้ใกล้อารุณแล้วครับไปนึงได้ตอนนู้นยังแต่ถ้าเมื่อเธอปล่อยอารุณ์ให้ผ่านไปเธอชื่อว่าบริโภคนี่แล้วทําไมไปเอาที่นู่นอ่ะหมายว่ามันมีโอกาสสุดท้ายให้เราให้เราประพฤติได้คือในวันนั้นจะในครับวันนั้นใกล้ใกล้จะสุดของวันนั้นหมายว่าอย่างนั้นคล้ายๆกับว่าวันนั้นมันจะสุดแล้วต้องทําโอกาสสุดท้ายแล้วเธอต้องทําไม่ทําไม่ได้แล้วนี่ แต่ใครจะทํามาตลอดวันนั้นจะว่าผิดไหมไม่ผิดไม่ผิดเลยเธอะใครทํามาครึ่งวันก็ไม่ผิดใครทำเฉพาะกลางคืนก็ไม่ผิดแต่ที่ไม่ได้ทำมาเลยทําเฉพาะใกล้ใกล้สุดวันนั้นก็ก็ไม่ผิดดีเหมือนกันแต่ถ้าไม่ทําที่ผิดนี่นะครับอาจารย์ตรงตรงนี้เลยครับที่บอกว่าราตีน่ะมันน่าจะทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้แหละก็เลยเข้าใจว่าราตีมันน่าจะทั้งวันเออประหลาดจริงเพราะว่าไอตอนนั้นเนี่ย ท่านก็มาทําไมท่านถึงมาต้องกําหนดตรงนี้เป็นวันใหม่ถ้างั้นก็ไม่ต้องมากําหนดตรงนี้เลยกาหนดตรงไหนก็ได้อถ้าเกิดว่าทั้งวันทั้งคืนอ่าแสดงว่ า, ไ ม, า ไ, ม ไ, มไม่ได้ไม่่ไไไดด้้ม ม, ม, มีความเริ่มต้นเหมือนกันหรอกใช่ไหมครับสมมุติว่าท่านวิสิตขอบริว่าตอนเที่ยงคืนก็นเริ่มมาพฤทธไปเลยปา น, นาไปพอมันถึงเที่ยงคืนก็หนึ่งวันหนึ่งคืนอย่างนี้เปล่าครับถ้าอย่างนั้น แสดงว่าไม่มีการไม่มีจุดเริ่มต้นเหมือนเหมือนกันทุกองค์ใครจะเริ่มตอนไหนก็หมายถึงตอนนั้นองหนึ่งเริ่มบ่ายโมงองหนึ่งเริ่มบ่ายโมงคืนองหนึ่งเริ่มสองโมงองหนึ่งเริ่มเที่ยงคืนองหนึ่งเริ่มตีหนึ่งแสดงว่าจุดเริ่มต้นครบวันครบราตรีไม่เหมือนกันถ้าคิดอย่างนั้นแต่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นราตรีในศาสนาต้องจุดเริ่มต้นเหมือนกันหมดเลยจะขอเวลาไหนก็ได้ครับถ้าอย่างนั้นสมมติถ้าท่านพิสิทธิ์ขอขอ